ไปอุดรวันนี้นะพอกันอยู่ข้างหลังก็ตั้ง อ, อกตั้งใจอยู่กันอย่างสงบอย่าไปอยู่โดยความวุ่นวายผู้ที่เข้ามาใหม่ มาอบรมตนก็ให้พึงสำนึกถึงตนให้ได้เรามาใหม่นี้ต้องศึกษาให้รู้ระเบียบขนบธรรมเนียมอของวัดให้รู้ให้เข้าใจแล้วพยายามปฏิบัติตาม เป็นนักบวชเนี่ยต้องอดต้องทนอย่าไปเป็นคนโมโหโทโสง่ายจึงจะสมกับว่าเป็นนักบวชไม่ใช่เป็นคารืหัมเป็นคารืหัสนี่ไม่ได้ฝึก้นตน เมื่อมีใครมีเครื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามานอนหนึ่งมันก็สุนเฉียวขึ้นมาเลยนี่คนที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจนเป็นอย่างนั้นอันนี้เราเป็นนักบวชเนี่ยบวชคามามีอุปชามีอาจารย์เป็นผู้นำเป็นผู้พาประพฤติปฏิบัติเพะนั้น เป็นนักบวชนี่ชาวบ้านเขาจะนับถือเขาจะเคารพกราบไหว้ก็เพราะว่านักบวชนี่เป็นผู้อดกั้นทนทานต่อความว่าร้ายต่างๆความกระทบกระทั่งเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสงบส ง, งีนยม จึงเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วทั่วไปให้เข้าใจอย่างนั้นเราเป็นนักบวชนี่นะการเป็นนักบวชนี่ถ้าหากว่าคนไม่นับถือแล้วก็อยู่ยาก อ, อันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจอันพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เกี่ยวกับเสขียวัตอะไรหมู่นั้นนะ ล้วนตั้งแต่ให้ภิกษุนักษาจัญญามรยาทให้ดี เ, เพื่อนำมาซึ่งความเลื่อมใสของประชาชนผู้เป็นอัปออคาัศสาสนุปธ ร, รรมผู้เขามีศรัทธาอุปธรรมบำรุงวัดว่าอารามด้วยปัจจัยทั้งสี่ นี่ถ้าภิกษุสามเณรเราไปทาตนให้เขาไม่เลื่อมใสแล้วเขาก็ไม่ยินดีที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเพราะเนื่องจากว่าชีวิตของนักบวชเนี่ยมันเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านถ้าชาวบ้านเขาไม่เ อ, อืบเพื่อเกือ้อกูเลเราเราก็เป็นนักบวชอยู่ไม่ได้ อย่างนี้แหละเป็ น, นักบวชต้องเป็นผู้ละทิฏฐิมานะลงลดความรู้สึกนึกคิดของตอนลงสู่ธรรมูุวินยัยเบียงนัน้นทำอะไรนั้นต้องนึกถึงธรรมถุวินัยเป็นที่ตั้งจะไปเอาแต่ความรู้สึกนึกคิดของตอนอย่างเดียว ไม่เทียบธรรมเทียบวินัยอย่างนี้บางทีความรู้สึกนึกคิดของตนเน่ยมันไม่ดีก็มีนะเนี่ยมันผิดต่อธรรมต่อวินัยก็มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชเราต้องดูธรรมรูวินัยให้ดีอันสิขาหมดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติน่ะก็เพื่อป้ปองกัน ร, ราคะ โทสะโมหะสามอย่างนี่เองเนะี่ยกิเลสสิกขาบทพุทธวัญญัติทั้งหลายนั่นนะ น, นี้หมวดหนึ่งก็ป้องกันราคะอ น, นันเนีเช่นอย่างหมวดสังคาทิเศาราชิกอะไรมนี่มันมีมีผสมกันอยู่หมดนั่นลป้องกันทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะ ตลอดถึงอาบัตทุนัจัยปาจิตตีนิทกีอาปาจิตตีก็ดีทุกกฎก็ดีอะไร้มนี่อะล้วนแต่เป็นเครื่องป้องกันกิเลสอย่างหยับๆยับนี่นะนเช่นอย่างภิกโซ โกรธเคืองพิกูุอื่นแล้วให้ประหารแก่พิกูุอื่นเป็นอวติปรปาจิตติหรือโกรธแล้วเงื้อมือดุดให้ประหารก็ปรับอวตารปาจิตติอย่างนี้นะเนี่ยสิ่ขาวบทที่บรญญัติห้ามห้ามความโกรธของพิสุอืมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นพิกษุนนี่จะไปโกรธไม่ได้ ถ้ากโกรธแล้วก็เสียความเป็นภิกษุนั่นเสียคุณสมบัติหมายเขาว่างั้นเลยเสียความนิยมนับถือเพราะว่าภิกษุนี่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกนั่นเนี่ยชาวโลกเขา คิดจะทำบุญขึ้นมาเขาคนนึกถึงพระสงฆ์ทำไมเขาไม่ไปทานให้แก่คนอื่นอย่างนี้ก็เพราะคนอื่นนอกจากพระสงฆ์แล้วนั้นเป็นผู้ที่มีกิเลสยังหลายอยู่ยังหนาอยู่ไม่ได้ฝึกตนเหมือนอย่างพิษุสามเณรเดี๋ยว่าเป็นคนมัวมองอยู่ในกิเลสมากมาย ดังนั้นเขาจึางไม่คิดที่จะไปให้ทานคนอื่นนอกจากภิกษุสามเณรเขาย่อมคิดเห็นว่าภิกษุสามเณร น, นี่บวชเข้ามาแล้วเป็นผู้ไปทำความชั่วเป็นผู้เคารพต่อทมต่อวินยัยนี่นะเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของอุปชาอาจารย์ เป็นผูม่เดือกร่วงเกินเขาคิดเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงเรื่อมใสเขาจึงทำบุญบริจาคทานเขาจึงกราบจึงไหวเ้เมื่อเมื่อญาติโยมเขาเนึกอย่างนั้นเนี่ยเราล่ะเราเป็นภิกษุสามเณรเนี่ยกลวดูตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติอันดี อย่างไรบ้างพอที่จะเป็นที่กราบที่ไหว้ของญาติของโยมเหมือนอย่างในทัะธรรมสูตรนั่นนี่ควรพิจารณาว่าเรามีเพศต่างจากคารืหัดแล้วอา ก, การกิริยาใดๆของสมณนะเราต้องทำอาการกิริยานนันั้น พระองค์เจ้าสอนแล้วความเรียงชีวิตของเราก่อนเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เขาเรียก ง, ง่ายอันมูลนี้เราต้องดูน่ะดูการทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเรียนเราบวชมาเราต้องค้นคว้าตำลับตํารามีอยู่ดันั้นอย่าอยู่เฉยอ ในยุคต่อมานี่นะท่านใช้ตำรับตำลาเป็นเครื่องสำหรับดูอ่านหรือท่องบนจดจำเอาไม่เหมือนแต่ขั้งพุทธการขั้งพุทธการนั่นภิกษุเรียนทมเรียนวินัยนั่นเรียนต่อปากอาจารย์เลยอาจารย์ว่าไปก่อนลูกศิษย์ก็ว่าตามหลัง ยังมีวินัยบรญญัติถามไว้น ะ, ะห้ามมาให้เทกจสุสวดสาธยายทำวินัยพร้อมกันกับอนุปัสสบัน น, นในการสวดทำวินัยถ้าว่าพร้อมกั น, นเป็นอาบัตแต่การทำวัดสวดมนต์อ น, นั้นไม่ไม่ถือ ในข้อนี้หมายความว่าไอ้ผู้เป็นอาจารย์สอนทำให้แก่ลูกศิษย์แต่ครั้งพุทธเจ้านะนั่นแหะแล้วอาจารย์บอกให้ลูกศิษย์ว่าให้ว่าพร้อมกับเรานะอย่างนี้นะให้ว่าพร้อมกับเราไปอย่างนี้นะี่ยเขาก็ว่าพร้อมกับอาจารย์ไปเลยอย่างนี้นะแล้วมันมันไม่ได้ประโยชน์แบบนั้นอนะ่ะพระองค์เจ้าพาญดาเห็นแล้ว ก็จึงวันยัติหามไม่ให้ว่าพร้อมกันอันธรรมวจน์มนี่มันต่างคนต่างได้แล้วก็มาว่าไปเฉยๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สอนต่างคนต่างว่าไป น, นี่มันต่างกันอย่างนั้นแล้วว่าเรียนกับปากสมัยนั้นนะขั้นต่อเมื่อมาสังขารยานาขั้งที่ห้า ที่สีรังกาเนี่พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านพิจารณาอนาคตังสายานต่อไปเบื้องหน้ากุณระบุที่มีศรัทธาเข้ามาบวชความจำจะเสื่อมจะไม่สามารถจำพระธรรมวินยัยพระไกรปิฎกไว้ได้แล้วธรรมวินัยก็จะเสื่อมสูญไปจากโลกนี้ท่านคิดแท้ย่างนี้นะ้วจึงได้ จะลึกลงในหนังสือในใบลานไว้ถ้าสมัยก่อนนะเพื่อนใช้ใบลานเอาใบลานมาอบมารีดให้ดีให้เกลียงเก่าทำให้เป็นใบสเสมอกันดีๆแล้วก็เอาเหล็กจานมาจานลงไปเขียนลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ลบมันก็ไม่เลือน ง, ง่าย พอเดกจั์มันขีดลงในเวลานมีแต่มันขาดไปเท่านั้นแหละจะให้มันลบมันเลือนไม่มี น, นั่นแหละสังกายดายขั้งที่ห้านั่นแหละพิกษุสามเณรเริ่มเริ่มเรียนทาเรียนวินัยตามธรรมพีตามหนังสือแต่ว่าอาจารย์เป็นผู้แนบเป็นผู้นำ เป็นผู้แนะนำให้เรียนให้ท่องให้จำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละเราก็ใช้ตำรากันมันนี้ก็นักพระเถมหาเถระผู้เราผู้ใหญ่แต่ก่อนนั่นแต่เามา่าคิดถึงเรื่องคุณบุตรต่อไปนี่ จะไม่อยากเรียนทำเรียนวินัยก็จึงให้มีการเรียนนักธรรมตรีโทเอกขึ้นมาเรียนแล้วให้สอบแข่งกันผู้ดใดสอบได้ก็ได้มีชื่อเสียงขึ้นไปในสังคมของของนักศึกษาเรียนนักธรรมจบการเรียนบาลีต่อ ได้บรีถึงประโยคนเก้าแล้วก็เป็นอันุจบการเรียนทำเรียนวินัยในสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นมหาป ร, ริญญาเก้าประโยคแล้วก็ทําบําเพ็ญศาสนากิจไปก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นเจ้าฟาเจ้าคุณไปสําหรับผู้ที่สนใจในทางปฏิบัติเมื่อเรียนรู้ทำมวินยัย รู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าไปอยู่ในสถานที่ไม่สงบสงัดท่านก็ปีกตัวออกไปสแวไปสแวงหาที่สงบสงัดเริ่มประกอบความเพียรเจริญพระกรรมฐานให้บังเกิดได้แจ่มแจ้งขึ้นในใจิตใจ ท่านผู้มีอุปนิสัยวาสนาเจริญพระกรรมฐานไปท่านก็สามารถบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ท่านผู้มีวาสนาบา ร, รมีแก่กล้าครบถ้วนแล้วนะท่านดียังไม่แก่กล้าก็ทําทความเพียรไปเพื่ออบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอี่มันก็ยังไม่ได้บรรลุมรรค เป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจการปฏิบัติทำในพุทธศาสนานี่นะอย่าไปเข้าใจไปว่าเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติคำมาคำเม้นไปเต็มที่แล้วมันจะได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษตามความประสงค์ทุกโลกทุกนามไปนี่ไม่ใช่นะ ขอให้เข้าใจมันถูกต้องมันขึ้นอยู่กับอินทร์บารมีของคนของพระของเนรเรื่องนี้น่ะเมื่ออินทร์ยังไม่แก่กล้าพอก็ยังบรรลุมรรคธรรมวิเศษไม่ได้เลยแม้แต่ขั้นพระโสดาบาันก็ยังบรรลุไม่ได้ผู้เะ่นนั้นมันต้องบำเพ็ญบา ร, รมีไปเรื่อยๆไป พอใจแต่ความประพฤติ ท, ที่ดีงามทางกายพอใจแต่ที่จะพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเรื่องใดที่ประกอบไปด้วยทุกข์ด้วยโทษและไม่พูดแต่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้พยายามฝึกตนนะฝึกตนสำรวมตนให้อยู่ในคุณงามความดีคุณธรรมอันดีงาม ไม่ให้ใจมันหันเหไปในทางทั่วเช่น <c oughs> นี้แล้วก็ทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยำลำดับแต่ครั้งพทะเจ้านั้นบางพูกบางท่านเมื่อบมอเพ็ญไปถึงตอนเท่าแก่คลาลง อ, อินทรีย์บารมีนั้นมันเต็ม ก, ก็มีมันเข้าขั้น ก็สามารถได้บรรลุมรคนับแต่พระโสดาภติผลเนี่ยเป็นต้นขึ้นไปมันเป็นมาอย่างนี้เรื่องราวของพุทธศาสนาีนขอให้เข้าใจกันในใยว่าพอลงมือปฏิบัติไปแล้วขามาักขม้นเข้าไปแล้วมันจะได้บรรลุมรคผลไปเลยไม่ใช่ แต่บางคนก็อาจจะได้บรรลุผู้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วผู้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้านี่ทำยังไงยังไงมันก็ไม่ได้บรรลุมรคนเป็นแต่เพียงเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปนั่นแหละเป็นทุนเป็นรอนไปสำหรับที่เราจะได้สร้างบุญบา ร, รมีต่อไปเบื้องหน้าอีกใสยบุญเก่านี่แหละมากระตุน้นติดจิตใจให้นึกถึงบุญถึงบา ร, รมีได้ อัอเป็นอย่างนั้นบุคคลไม่มีบุญที่ตนได้สั่งสมมาแต่ก่อนแล้วก็ในปัจจุบันก็ไม่สะสมเ อ, อเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนี้มันก็ไม่มีสิ่งใดจะมาดนจิตด น, นใจให้เกิดสันทะความพอใจในอันที่จะรักษาสิ้นในอันที่จะฟังธรรมหรือนั่งสมาธิภาวนาเพ่งจิตใจตัวเอง ให้รู้จักกิเลสอมันดองอยู่ในหัวใจน่ะมันอะไรบ้างอย่างนี้ราคะมีไหมถ้ามันมีมันก็รู้จิตที่ผ่องใสอยู่นะโทสะมีไหมโมหะมีไหมอย่างนี้ถ้ามันมีอยู่ในจิตน่ะมันมันรู้เลยมันรู้แล้วมันก็อธิษฐานใจละเว้นไม่เลี้ยงมันไว้กิเลสตัณหาเหล่านี้นะ มันก็ต้องอย่างนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ต้องเรียนรู้ระเบียบแบบแผนอย่าไปอยู่เฉยๆเมื่อเรารู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ฝึกขัดลงมือกระทาอย่างนี้นะ <c oughs> ผู้ไม่ผู้เรียนรู้จำได้เฉยๆแล้วไม่ลงมือฝึกตนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้น มันก็ไม่ได้ความอุ่นใจไม่ได้ปีติในธรรมคำสอนของพระ เ, เจ้านั้นผู้ใดได้ลงมือทาปฏิบัติไปเพ่งจิตใจไปให้จนเข้าถึงความสงบจากอารมณ์ภายนอกต่างๆจิตเยือกเย็นสบายปลอดโปร่งเบาเช่นนี้แล้วก็ย่อมเกิดปีติขึ้นในใจ ฮะเ น, นีเมื่อคมปีติไปได้ก็เกิดความสุขขึ้นอย่างละเอียดปานนี้์มันเป็นอย่างนั้นอันความสุขมันจะมีได้ก็มีได้ที่ดวงจิตตวงเดียวนี่เท่านี้เองนะมันความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่อื่นจริงๆนะอ่ะก็เพิ่งเข้าใจกัน โลกทางโลกนี่มีจิตดวงเดียวเท่านั้นแหละรับรู้อะไรต่ออะไรทั้งหมดแต่ว่าจิตนี้จะรับรู้อะไรต้องได้มาอาศัยร่างกายเป็นมนุษย์นี่ก่อนนะจิตที่ได้มาอาศัยร่างกายที่ที่เป็นมนุษย์นี่เป็นผู้มีบุญมีวาสนาเป็นผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงให้ทำให้ฟังก็เข้าใจได้ ถ้าหากว่าพระองค์แสดงธรรมหักเอาสัจธรรมมาฟังอย่างนี้นะมันจะเข้าใจได้เหรือไม่ได้ออทุกคนก็ต้องตอบว่าไม่ได้เพราะอะไรนะก็เพราะสัจธรรม น, นั้นมันบุญน้อยบุญไม่มีมากเลยเห็นนั้นมันถึงได้รับใช้หมู่มนุษย์นั่นแหละเพราะบุญมันน้อยต้องพึ่งมนุษย์ไม่พึ่งกรจําต้องได้พึ่งเพราะเขาไปจับออกมา อปเซื่อไปหาเอามาอย่างนี้นะเหตุฉะนั้นน่ะเราต้องคิดดูให้ดีชีวิตของเราที่เป็นได้รูปร่างอันเป็นมนุษย์มาเนี่ยดีกว่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานท่านเรียกว่ามนุษย์นี่เป็นผู้มีชีวิตเจริญทางสูงทางตั้งอันสัตว์เดรัจฉานนั่นมันมีความเจริญ ทางทางกว้างจะว่าสัตว์หัวลอยก็ว่ามันลอยไปตามพื้นดินนั่นอันมนุษย์เรานี่มันหัวตั้งขึ้นฟ้าน่นเทตนั้นสติปัญญามันก็จึงมีเหนือสัตว์เหล่านั้นเปรียบก็ไม่ได้เลย <c oughs> นี่ไหละคิดดู การที่โดงกีดเนี่ยได้มาอาศัยอยู่รูปร่างอันเป็นมนุษย์นี่นะเป็นลาบอันประเสริฐแล้วเราจะได้ใช้กายวาจาอันนี้ทําดีพูดดีไปส่วนทางใจในเมื่อได้อาศัยร่างกายนี้แล้วก็น้มไปสู่ความสงบทำความเพียรเพื่อให้จิตใจมันสงบระงับจากอารมณ์ต่างๆเอราก็ทําได้ เมื่อบุคคลรู้ตัวว่าตนผู้วีบุญติดตามรักษามาแล้วทั้งบุญที่ทำในปัจจุบันด้วยช่วยรักษาชีวิตนี้ไว้ไม่ให้มีภัยอันตรายใดมาเบียดเบียนเราถึงได้โอกาสมาทาบุญกุศลทำความดีต่างๆตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทในชีวิตอันนี้บางคนส่วนหลายเลยมัวเมาประมาทไม่คิดดูให้รู้แจ้งในเรื่องของชีวิตตามเป็นจริงเช่นชีวิตในระหว่างกายกับจิตเนี่ยอันใดจะสําคัญกว่ากันอย่างนี้นะนี่ถ้าผู้ฉลาดเราตั้งปัญหาถามตนเองอย่างนี้ยตนเองจะตอบว่ายอย่างไร แน่แหละผู้มีปัญญามันก็ต้องตอบตัวเองเลยว่าจิตแลเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของคนเราทั้งคนเนี่เพราะอะไรถึงสําคัญก็เพราะจิตนั้นมีอิทธิพลมีอํานาจวาสนาเป็นผู้ได้สั่งสมบุญบารมีมา <c oughs> ก็จึงได้เป็นจิตอันเป็นมนุษย์ เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตนี้มีบุญบรารมีเป็นเครื่องโยเป็นที่พึ่งอย่างนี้นะมนก็มีปัญญามันก็ฉลาดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องบาทบุกบาปบุญพุนโทษ อ, อย่างนี้มันก็รู้นั่นแหละมันก็รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ รู้จักว่า อ, ออกพระองค์เจ้าทรงแสดงอย่างนี้ว่าเป็นบาปอันนี้ก็รู้อย่างเช่นพระ อ, องค์ทรงแสดงว่าบาปนั้นมันมีมูลเหตุาาความโลภความโกรธความหลงและปนเป็นมูลเหตุให้บุคคลเราทําบาปให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างนี้นะมนุษย์เราเมื่อได้ฟังที่พระ อ, องค์เจ้าแสดงนี้ก็คิดได้อ่ะ โอ้จริงจริงมันความเบียดเบียนกันอยู่ในโลกอันนี้นะมันล้วนจะเกิดจากกิเลสสามกองนี้ทั้งนั้นเลยไม่จะเกิดจากความโลภ ก, ก็เกิดจากความโกรธนนเมื่อโกรธมาแล้ว้ายับยั้งไม่ได้มันก็ทะเลาะวิวาทกันทุบตีกันกล่าวว่าจะหยาบคายต่อกันและกันไปนี่มันก็ทำ ลายความสงบของหมู่ของคณะที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวตัวเรือนก็ทำลายครอบครัวแล้นให้แตกสามัคคีกันในวัดก็ทำลายความสามัคคีของพิกุลสามนเณรยายชีอะไรต่ออะไรหมดนี่นะก็ให้แตกสามัคคีกันไปเพราะอำนาจแห่งความโกรธนี่แหละมันไม่ยอมให้อภัยแก่คนอื่น เพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชเนี่ยต้องให้รู้จักให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดผู้พังเพลยได้ล่วงเกินตนบางสิ่งบางอยา่างเขาล่วงเกินด้วยกายเขาแสดงอาการกายหยาบคายใส่ตนอย่างนี้ก็ดีแล้วก็ล่วงเกินทางวาจาเขากล่าววาจาอันไม่เหมาะสมะที่ควรจะกล่าวก็มากล่าว เราก็ให้อภัยแก่เขาไปเพราะเขาไม่รู้เขาเพลอเขาจึงได้พูดผิดพูดพลาดอย่างนั้นเราควรให้อภัยไปการที่เขาแสดงกิริยาอาการกายไม่ดีไม่งามหมู่นั้นก็เหมือนกันนะมันอ้นออกมาจากจิตนันจิตมันยังไม่รู้ไม่ฉลาดในทางที่ดีที่ชอบ มันก็ทําไปตามนิสัยใจคอของคนนั่นแหละคนเราเมื่อมันยังไม่รู้นะมันเป็นอย่างนั้นอผู้มีนิสัยเจ้าชู้มันเกาะเที่ยวสเสวงหาแจกของรักของชอบใจอย่างนั้นแหละผู้ใดเป็นผู้หนาไปด้วยความโกรธความพยาบามเช่นนี้เนะี่ยมันก็ย่อมแสหาแต่เรื่องทะเลาะวิวาทหาแต่เรื่อง ผิดเทียงการท้าแต่เรื่องเบียดเบียนกันหาความสงบสุขไม่ได้อย่างนี้นะบุคคลใดเป็นคนหลงคนเม า, านี่มันก็เพลิดเพลินมัวเมาไปแต่เรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั่นแหละเรื่องที่เป็นประโยชน์มันไม่ชอบอยากจะทำผู้หลงผู้เมา แม้บาบวดอยู่ในวัดในวาแล้วบัาถี้พูดกันคุยกันเรื่องอื่นนั้นพูดได้คุยได้เรื่องบา้านเรื่องเมืองเรื่องรักเรื่องชังอะไรนั่นชักแม่น้ำทางห้ามาได้เลยการพอ้พูดกันเรื่องธรรมะพูดไม่ได้เพราะอะไรลนะ่ะเพราะมันไม่เคยคิดนี่มันคิดแต่เรื่องภายนอกนู่นจิตใจ มันคอย อ, อระวังแต่ว่าใครจะมาว่าให้เราใครจะมากระทบกระทั่งเราเออคอยระวังอยู่แต่อย่างนั้ น, นเมื่อมีใครกระทบกระทั่งเข้ามาก็โกรธฉุนเสียวขึ้นมาเลยอย่างนี้นะนั่นเขาเรียกว่าเมาเมากิเลสเมาตัณหาอือย่างงั้นเพราะฉะนั้นอ่ะ ผู้ที่เป็นนักบวช้วต้องสำคัญนะเพราะเราเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกนะนั่นในการรู้ตัวอย่าไปแสดงอาการกิเลสอันหยาบคายเหล่านั้นออกให้คนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแสดงความโูกได้อะไรมาก็ไม่พอทักทีอย่างนี้นะอัะนพอความพอความเอี่ยมในปัจจัยเครื่องอาศัยไม่ ไม่พอสักทีอย่างนี้นะอันนั้นก็เมือ่อชาวโลกทั้งหลายได้ทราบเขาคลข า, ข า, ายความเลื่อมใสความนับถือลองเป็นสมณะอะไรมากๆนานานะเป็นสมณะตัวคนเดียวคนจะมั่งน้อยสันโดษไม่ใช่เหร อ, อ, อนี่มันก็ถูกคำเขาว่าเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นให้พึงระมัดระวังกิเลสเหล่านี้อย่าให้มันครอบงำจิตใจได้ความโกรธก็เหมือนกันเนี่เมื่อบุคคลไม่ระมัดระวังจิตใจของตนเองไม่รู้จักคมจิตเวลาอารมณ์อันไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามามันก็แสดงออกทางกายทางวาจาออกมาเลยลักษณะอาการของกิเลสนะมันเป็นของหยาบเพราะนั้นถ้ามันแสดงออกทางวาจา มันก็กล่าวว่าใาหยาบที่พูดเสียบแทงให้พู้อื่นเจ็บ อ, อกเจ็บใจด่าว่าเสียสีอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะนั่นแหละเรียกว่าคนไม่สำรวมตนประมาทเรียกว่ามัวเมาเป็นคนหลงคนไม่รู้ตัวไม่มีสติสมบัสสัญญายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปลาซส วันไหวไปเลยแทนที่จะระงับกันไว้ภายในนั้นไม่ให้มันแสดงออกภายนอกมันไม่ไม่หยุดยั้งได้เรียว่าระงับจิตตัวเองไม่ได้พราะฉา้มันยังแสดงออกทางกายทางวาจาทันแสดงออกทางกายวาจาแล้วคนทั้งหลายเห็นเข้าได้ยินเข้ามันก็เอื้อมละอา ลายความเชื่อความเลื่อมใสถ้าเป็นนักบวชนะเพราะเป็นนักบวชในชาวว่าเข า, mm. าเคา mm. รพนับถืออยู่เอ่าเป็นส่วนมากเลยทีเดียว่มันเป็นอย่างนั้นเ mm. ข้าใจว่าเรานั้นเป็นผู้เรียบร้อย mm. เป็นผู้อดทนเป็นผู้ไม่โกรธไม่ถือทิฏฐิมานะ้าแข็งกระลางกระเรืองเป็นผู้อ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนน้อมต่อคุณพระระัตนกราย อ่อนน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดีเ๋ยวว่าเคารพในสงฆ์อองั้นวิถยของนัรบวชนะเพราะว่าเราอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะถ้าเราไม่เคารพในกันและกันแล้วมันก็วุ่นวายสิออยนั่นแหละมันก็เดือดร้อนกันก็ไม่เป็นไปเพื่อความสงบแล้วการบวชมานะเรืเ่องงั้น ดังนั้นพร ะ, น ร, น ร, ร, ร, ระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้เขารกในพระพุทธประธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์เลยนับแต่สี่ลูกขึ้นไปอย่างนี้เราต้องเขารกเมื่อเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นไปอย่างไรแล้วอย่างนี้นี่มันจำเป็นต้องได้โอนไปตามต้อง ต้องพรไปตามเลยอ่าเบรย์างา น, นคว่าเคารพในพระสงฆ์นี่นะอย่างเมื่ออธิกรอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะก็เรียกประชุมสงฆ์วินิจฉัยอธิกรณ์อนนั้นเมื่อวินิฉัยลงแล้วก็ขอมติจากสงฆ์อ่านวินิจฉัยเรื่องอธิกรนี่ได้ความอย่างนี้อย่างนี้สงฆ์จะอสงฆ์จะเห็นดีเห็นชอบไหม ถ้าใครเห็นดีก็นิ่งอยู่ถ้าใครไม่เห็นดีก็ขอให้ชี้แจงมาอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าใครไม่เห็นดีมีตนมีเหตุเพราะอย่างไรก็ขอโอกาสชี้แจงเข้าไปมเมื่อชี้แจงแล้วผู้เป็นประธานก็จะเสนอความเห็นของผู้นั้นนะผู้ผู้ผู้นี้เห็นอย่างนั้นนะ่ะสงเห็นดีเห็นชอบไหม ถ้าเห็นดีเห็นชอบให้นิ่งอยู่ถ้าไม่เห็นดีขอให้ที่แจ้งมาถ้าไม่เห็นดีผู้ใดไม่เห็นดีก็ที่แจ้งลงไปไม่เห็นดีด้ว ย, ยนี่นะมีเหตุผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อในที่สุดก็เอาเสียงส่วนมากเป็นประมาณนะเอาลงวติกันเอาเสียงส่วนมากเป็นประมาณ มันก็ต้องลงคะแนนกันเหมือนกับเขาเลือกผู้แทนรัศดร น, นั่นแหละเมืม่อเอาเข้าจริงๆนะเนนมือ่อคะแนนของฝ่ายใดมันมากมันก็เอาตามฝ่ายนั้นเลยเป็นอย่างนั้นนี่พราะฉะนั้นพากันเข้าใจเราบวชมาใหม่นี่ยังไม่รู้ระเบียบแบบแผนอะไรดีเพราะฉะนั้นมันต้องฟัง โอวาดคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ครูาอาจารย์แสดงให้ฟังต้องเอาไปคิดไปกลองต้องเป็นผู้สนใจในการค้นคว้าดูตำลับตำลาท่องบนจดจำนันและผู้บวชตาม้มใจอย่างนี้นะเอานะพระกวาทนะได้ท่องจบแล้วหรื อ, อยังอย่างนี้ เมื่อยังไม่ได้ท่องจบก็พยายามท่องเอาให้จบเพราะหนังสือนบกวาดนั่นน่ะท่านคัดเลือกเอาข้อปฏิบัติมารวมไว้นั้นหมดเลยนะทั้งธรรมทังวินัยอย่างนี้แหละถ้าผูใ้ใดท่องจําเอาได้แล้วเส้นธรรมะอย่างเนี้ยมันท่องจำเอาได้แล้ ว, รร ม, ม, ลวมันเป็นร่งภาวนาเก้ เมื่อใจสงบลงไปแล้วก็นึกถึงธรรมะหมวดได้ข้อใดข้อหนึ่งมาวิเนใช้มาพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งลงไปมันก็แตกฐานในอัตยธรรมนั้นๆไปได้เนี่ยผู้เรียนผู้ท่องจำาอาได้แล้วนะถ้าผู้ไม่ท่องไม่จำเอานั่งภาวนาใจสงบลงแล้วจะไปนึกถึงธรรมะอนไ้ก็ไม่ได้เพราะทนไม่ได้เรียนได้จำมาเลยอย่างนี้นะ ก็ไม่มีปัญญาเลยบ่านี้นะเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างเพื่อนแสดงพระพุทธเจ้าทรงแสดงขันห้าไว้อย่างนี้นะเมื่อขันห้ามันเป็นยังไงก็ตามตัวหนังสือท่านก็บ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้อเอาลักษณะของรูปเป็นอย่างไรบ้างลักษณะของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้นะ่ะมันมีลักษณะอย่างไร นี่เป็นหน้าที่ของเราผู้สนใจในธรรมจะพึงค้นคว้าจะพึงพิจารณาดูสําหรับตำราท่านอธิบายไว้อย่างไรเมทนาอย่างนี้ท่านอธิบายไว้อฮะแจกออกไปส่วนนี้เป็นรูปเป็นกายท่านก็แจกออกอาการสามสิบสองอย่างนี้นะเราก็พยายามเรียนให้รู้ท่องเอาให้ได้อาการสามสิบสองอะไรบ้างอย่างนี้นะอันนี้นะ สัญญาความจําความหมายอย่างนี้นะมีลักษณะอาการอย่างไรในธรรมราท่านแสดงไว้ยอย่างไรสังขารสภาพที่ปรุงแต่งใ จ, ใจิตใจคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วอย่างนี้นะสังขารย่อมมีลักษณะอาการอย่างนี้นี่สังขารธรรมเป็นธรรมารมที่เกิดขึ้นในใจสังขารโลกวานี่ สังขารโลกได้แค่สังขารที่อุบัติบางเกิดขึ้นมาในโลกนี้ที่มีใจคลองก็มีไม่มีใจคลองก็มีที่มีใจคลองได้แค่คนได้แก่สัตว์ได้แค่ชานหูนี้แหละที่ไม่มีใจคลองได้แค่ต้นไม้ใบหญ้าหินทรายกรวด ดินน้ำไฟลมอะไรต่างๆพวกนี้นะนี่เรียกว่ารูปอย่างนี้แหละเราต้องเรียนรู้ว่าสัพพ ร, รูป เ, เรียกว่าสังขารโลกหมายสังขารโลกเสื้อป้าปงแตงให้เกิดเป็นโลกขึ้นมาห ม, มายความว่าอน่างเป็นแผน่นดินเป็นแม่น้ำ แล้วก็สัตว์ที่มาอาศัยอยู่ในโลกนี้สัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์โลกในความหมายแห่งธรรมเทศนาท่านหมายเอาสถานที่สัตว์โลกทั้งหลายอาศัยอยู่อย่างนี้แหละคำว่าโลกนี้นะโลกนกโลกใน โรคใดได้แก่ร่างกายทุกส่วนนี้เป็นที่อาศัยของดวงจิตโรคนอกได้แก่แผ่นดินแม่น้ำต้นไม้ใบหญ้าภูเขาโราปออะไรต่ออะไรหมดนี้นี่มันสภาพปุงแ่งขึ้นแนละ้วนแต่พระพุทธเจ้าทรงบัญญาว่าสังขารโลกให้เข้าใจ วิญญาณอย่างนี้นะความรู้สึกทางตาทางหูทางจมกูกทางลิน้นทางกายทางใจอันนี้เป็นลักษณะของวิญญาณแปลว่าธรรมชาติรู้ันวันนี้วิญญาณนี่ก็อาศัยรูปนี้อยู่ถ้ารูปนี้วิบัติลงวิญญาณนี่ก็อยู่ไม่ได้ท่านจึงกล่าวเป็นคำรวมว่า เมื่อรูปแตกน้ําก็ดับเคืออย่างนั้นเมื่อรูปแตกแล้วน้ําก็ดับตั้งอยู่ไม่ได้อย่างคนเราเมื่อเวลาจวนจะตายนะธาตุทั้งสี่มันดับลงดับลงเช่นธาตุไฟอย่างนี้นะธาตุไฟมันดับลงไปดับลงไปร่างกายคน้กนเน็เย็นลงเย็นลงเย็นตั้งแต่ศีรษะลงไป ทางเบื้องล่างก็เย็นแต่พื้นเท้าขึ้นมาเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาก็ไปรวมอยู่ที่หัวใจนั่นเอบนนี้ไอ้ที่มันเย็นขึ้นมานันแสดงว่าวิญญาณมันดับไปแล้ววิญญาณมันไม่อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วธาตุอันนั้นมันเสียหมดแล้วอาศัยไม่ไดม้มาอยู่เหลืออยู่หัวใจแบบนี้ น, ะ น, นั่นเองเมื่อธาต สีดินน้ําพลลมที่ประชุมอยู่หัวใจนี่หมดเขตของวันแล้วจิตนี่ก็อาศัยอยู่ในรูปนี่ไม่ได้เลยอยู่ในหัวใจก็ไม่ได้ต้องถอนตัวออกไปวิญญาณความรู้แจ้งทางกายทุกส่วนก็ดับหมดเลยอ่าอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะท่านจึงกล่าวว่าเมื่อรูปแตกน้ำก็ดับไป แต่ดวงขีดนั่นสิมันถอนออกจากร่างนี้แล้วมันก็ไปตามกรรมดีกรรมชั่วที่ทํามากรรมดีกรรมชั่วนี่ก็นําไปตกแต่งขันห้าอื่นให้อยู่อีกให้อาศัยอีกในเมื่อกิเลสยังมีอยู่นะในเมื่อรักกิเลสยังไม่หมดมุนกรรมที่ทํามานี่มันก็นําไปตกแต่งรูปร่างอื่น ให้ดวงจิตได้อาศัยต่อไปเช่นไปตกแต่งรูปร่างของเทวดาเทวบุตรอย่างนี้นะให้ดวงจิตได้อาศัยแต่เป็นรูปร่างอันละเอียดสุขคุมถ้าบุคคลมีบาปติดตัวไปมากกวัววุญอย่างนี้บาปมันก็นำดวงจิตนี้ไปไปตกแต่งรูปร่างของสัตว์นรุกให้ดวงจิตได้อาศัย ตกแต่งร่างเปรตอสุรกายสัตว์ริฉานตามบาปกรรมที่ทํานั่นแหละถ้าบาปหนักก็จะไปตกแต่งรูปสัตว์นรกถ้าบาปเบาลงมาก็นั่นก็ตกแต่งให้รูปเปรตลูกอสุรกายรูปสัตว์ริฉานโดยลา ด, ดับลงมาอมเมื่อได้สวยวิบากรรมอันนั้นจนว่า บาป ก, กรรมนนั้นมั น, ม, นมดอายุมันลงเมื่อใด น, นั่นหากว่าตนได้ทําบุญด้วยบ้างแต่ก่อนบุญก็จะนํามาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้อันชีวิตของมนุษย์เรานี่นะมันเปลี่ยนแปลงได้นะอือย่าไปเข้าใจว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้เมื่อเราต้องการความสุขสม่ําเสมอไปไม่ต้องการความทุกข์ เช่นนี้เราก็พยายามเว้นจากบาปกรรมความชั่วออกไปให้หมดสละกรรมชั่วออกให้หมดอย่าให้กรรมชั่วมันมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตใจนี่พยายามสั่งสมบุญกุศลคุณความดีให้มั่นคงอยู่ในจิตใจของตนเรื่อยไปผู้ใดอยากมีความสุขสม่ำเสมอไปนะ มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เมื่อเมื่อไม่มีบาปติดตามแล้วมีแต่บุญกุศลล้วนๆอย่างนี้ไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขกว่านี้เพราะไม่มีบาปติดตามไปรบกวนอ่ะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนแหละสำหรับผู้ที่สร้างบุญบา ร, รมียังไม่บริบูรณ์ยังไม่เต็มบริบูรณ์ มันก็ต้องสร้างบุญกุศลได้มากเพียงใดบุญกุศลมันก็นำไปเกิดได้ที่ใดที่หนึ่งที่มันสมควรแก่กำลังของบุญที่ตนทำนั่นแหละเพราะว่าสวรรค์นันมีถึงหกชั้นนุ่นในหกชั้นนั้นมันก็มีความเป็นอยู่พันิดสูงกว่ากันไปโดยลำดับไปอย่างนี้นะผู้มีบุญมาก อบรมจิตใจของตนให้ดีให้งามไปจะเป็นมนุษย์อ่าผมันก็ไปเกิดชั้นสูงขึ้นไป อ, อย่างนี้แหละผู้ใดไม่อบรมจิตของตนไม่มากเพียงแค่อบรมนิดหน่อ ย, อยอกิเลสยังยังมีหนาอยู่ในจิตใจอย่างนี้ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นตำ่ำบุญกุศลมีเนะ่ะ เป่นงนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้ น, นการที่ผู้ใดมาตื่นตัวรู้แนวทางไปสู่ความสุขความเจริญดังกล่าวมานี่แล้วก็ตั้งอกตั้งใจฝึกตนไปชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปประทำกรรมอันชั่วต่งตางๆไป ส่วนใดที่ละบาปอันใดที่ยังละไม่หมดก็เพียรพยายามละไปให้มันหมดไปอย่างนี้นะนั่นไะอะไรมันก็เหลือนอกเหนือจากความเพียรไปไม่ได้ดอกมันมันอยู่ในที่ความเพียรแหละเมื่อความพยายามไม่ท้อไม่ถอยมันก็ได้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ตนต้องการนั้นสักวันหนึ่งให้ได้ เมื่อเราเพียนพยายามไปไม่ท่อไม่ถอยนะนี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้ที่มันสาเร็จไปไม่ได้เส้นบาปจะละไม่ได้เพราะขาดความเพียนรอยให้บาปมันหมักห ม, มอยู่ในจิตใจนี่ไปเรื่อยไปอย่างนี้นะทีนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วบาปมันก็นำไปสู่ทุกข์อีกมันเป็นอย่างนั้นคนขาดความเพียน ถ้าผู้ที่ไม่ขาดความเพียรเช่นนี้ก็เพียรพยายามไปเมื่อบาปมันน้อยบาบางออกไปแล้วทำบุญกุศลให้มากเข้าไปแล้วที่นี่บาปที่เหลือเลยกน้อยมันก็เป็นอาโหสิกรรมไปมันก็หมดไปนี่พูดตามตำรานนะมีพรามคนหนึ่งไปทูลถามพระพุทธเจ้า อันบุคคลนี่สามารถที่จะละบาปที่ตนทามาแล้วนั้นให้ดับไปหมดได้หรือไม่เพราะองค์เจ้ า, จากระทรงตรัสว่าดูก่อนพรามอันบาป ก, กรรมที่บุคคลทำมาแล้วนั้นถ้าเป็นละหูกกรรมกรรมเบาอย่างนี้ผู้ใดมาเจริญภาวนาเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้น ในใจอย่าให้ความโกรธมันครอบงำจิตใจได้ให้นึกถึงสัตว์โลกทั้งหลายนี่เสมือนอย่างว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแม่ผู้ที่เคยเป็นศัตรูทนมาแต่ก่อนก็ดีตนก็ให้อภัยไปหมดเลยไม่ไปผูกใจเจ็บไปอย่างนี้นะแม้ว่าผู้ผ ผู้ที่เป็นศัตรูตัวนั้นก็ให้ถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเขาก็ต้องการความสุขเปรียดต่อความทุกข์เหมือนกับเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้ า, าว่าเราไปตอบโต้เข้าไปอย่างนี้ก็ชื่อว่าไปทำทุกข์ให้แก่เขาเขาก็เป็นทุกข์เพราะเราเมื่อเราไปทำทุกข์แก่เขาแล้วเราก็คอยได้ทุกข์ไปตามเขาเพราะว่า เวรย่อมไม่รั ง, งับเพราะการจองเวรพระพุทธเจ้าว่านี่เป็นธรรมของเก่ามีอยู่ทุกทุกทุ ก, ท ก, ทกสมัยเวรทั้งหลายจะระ ง, งับไปได้เพราะความไม่จองเวรหมายความว่าให้อภัยกันไปไม่ถือโกรธไว้ไม่คิดแก้แค้นนั่นแหละเรียกว่าไม่จองเวรในความทุกข์ในโลกอันนี้นะ่ะ พระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงตรัสไวยว่าอัพยาปาสังสุขขังโลเกปานาภูเจสุสั ญ, ญโมความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกแสดงว่าความเบียดเบียนกันก็เป็นทุกข์ในโลกกรมกันข้ามอย่างนี้นะนั่นแหละเึงพากันเข้าใจดังนั้นคนทั้งหลายที่เป็นทุกข์อยู่ในโลกนี่เพราะเบียดเบียนกันนั่นเอง ถ้าหากว่าไม่เบียดเบียนกันเกิดมาแล้วเออ่มีความชื่นชมยินดีต่อกันเอื้อเฟื้อเกินกูนกันรู้จักให้อภัยแก่กันและกันดังกล่าวมานั่นแ ล, แล้วก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขถึงจะมีทุกข์กระทุกเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เมื่อบุคคลมาภาวนาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้ว รู้เท่าทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้แล้วคือรู้เท่าขันห้าแล้วก็ชื่อว่ารู้เท่าทุกข์แล้วไปเพราะความทุกข์นั้นมันมนักเกิดจากขันห้านี่เมื่อมีขันห้านี้เราก็มีทุกข์แหละเพราะนั้นเมื่อเราภาวนารู้เท่าขันห่านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะหากว่าได้รู้เท่า ว่าขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ถือว่าเป็นตัวตนของตนอย่างนี้เวลาขันห่านี่มันสำลุดสุดโทมันวิบัติลงไปจิตผู้รู้แจ้งนี่มันก็สอนตนเตือนตนว่ามันธาตุสี่ขันห้าต่างหากมันวิบัติแปรปวนไปไม่ใช่เราอเราไม่ได้มีอยู่ในขันห่านั้นขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเราอย่างนี้นะ เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตรู้แจ้งตามปัญญาแนละ้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะถึงมันจะรู้จักทุกข์มันก็อดเอาทนเอาไม่แสดงอาการทุรนทุรายออกมานั่นเรียกว่ารู้เท่าทุกข์ไม่ใช่ว่ารู้เท่าทุกข์ในมันจะไม่รู้จักทุกข์เลยทุกข์จะหายหนะ้าหายตาไปหมดเลยอย่างนั้นจึงชื่อว่าผู้รู้เท่าทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้น ในเมื่อขันห้านี่มันยังมีอยู่ตราบใดทุกนี่มันก็มีอยู่ตราบนั้นมันเป็นอย่างนั้นเบื้องมานะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจในเมื่อเรายังได้อาศัยขันห่านี่อยู่ก็เท่ากับว่าอาศัยทุกแหละอยู่แต่เราก็รู้เท่าทุกมันนี่นะก็รู้เท่าขันห่านั้นเองถ้าเมื่อรู้เท่าอย่างนี้จิตมันก็ไม่เป็นทุกแหละก็อดทนอดกั้นเอา เมื่อทุกขเวทนามันเกิดขึ้นอดเอาทนเอาไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันหานั้นอย่างนี้นะเนี่ยให้พยายามทำใจอย่างนี้เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาหากว่าเกิดเจ็บเกิดปวดเกิดล้อนเกิดต น, ดนาวอะไรขึ้นมาถ้าไม่เหลือวิสัยแล้วก็อย่าอย่าพึ่งววนไหวยันได้ง่ายๆ ต้องใช้ความอดความทนประกอบเข้าไปอเราจะเราจะฝึกจิตนี้ให้อดให้ทนต่อทุกขเวทนาเหมือนนเพื่อว่าความตายอยู่มาถึงเนี่ยมันจะจะไม่ได้มีความอดความทนโอเวลาจวนจะตายนั้นทุกมันเหลือล้นพ้นประมาณแด็กดังนั้นเราจึงหัดอดหัดทนไปแต่ยังมี กำลังวางชาเป็นปกติดีอยู่เนี่ยหรือเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงตายอย่างนี้มันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วก็หัดอดหัดทนหัดใช้ปัญญาสอนจิตให้รู้เท่าทุกตามเป็นจริงแต่อย่างนั้นเลื่อยไปเช่นนี้แหละทุกจึงครอบงมจิตไม่ได้เวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขัน ก็เป็นผู้มีสติเต็มที่เลยรู้ตัวอยู่รู้ตัวว่ารู้จิตนี่ว่าไม่เกาะไม่คล้องอะไรในโลกนี้ฮะไม่เสียดายไม่อะไรสิ่งใดทั้งหมดสติสมปชัญญะมันเก่ ก, กล้ามันรู้ตัวได้อย่างนี้เมื่อเป็นจะ่นี้เอาตายลงนี่มันก็ไปสบายเลยถ้ายังจะต้องไปเกิดอีกอยู่ก็ไปหาที่เกิดสบายได้เลย บุญกุศลก็นำไปจิตใจนี้จะไม่วุกไม่วนอยู่ในโลกอันนี้เลยเพราะว่าได้ภาวนาได้ฝึ ก, กจิตของตนใครตั้งมั่นลงไปด้วยดีดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้